สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะเดลิเวอรนะครับโดยผมจตุพลชมพูนิตครับและท่านพระมหาสมกอรตาลับปุโตแห่งวัดซอยทองนมัส ก, การครับท่านครับเป็นผ่อท่านอาจารย์เทียนเป็นผ่อท่านผู้ชม ท, ทุกท่านด้ยครับผมถ้าเราพูดกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของการฟังธรรมะเนี่ยหลายคนรู้สึกเป็นยาขมชวนไปวัดทีก็บอกไปว่างจะไปฟังธรรมะก็บอกว่ามันฟังแล้วมันไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรือบงทีฟังเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ หลายคนเนี่ยมาใจหันถอยหลังเข้าคลองนะครับกําลังถอยหลังเข้าวัดอยู่เนี่ยนะครับคือไม่ถึงสักทีไม่สร้างเป็นยังไงครับท่านก็ด้วยเหตุผล น, นี้ท่านอาจารย์เจตุพลจะถามว่าธรร ม, มะเป็นสิ่งที่ดีรรมากครับแต่คนเห็นธรร ม, มะเป็นยาผมเห็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายก็เลยเอาความสนุกสนานใส่เข้าไปในธรร ม, มะ<อ>เพื่อจะให้คนได้บริโภคธรร ม, มะได้ง่ายขึ้นับที่สําคัญได้ความสนุกสนานได้ความสะดวกสบายเพราะว่าธรร ม, มะของอาตมาเนี่ย ส่งตรงถึงบ้านส่งตรงถึงที่เลย oh. ไม่เฉพาะในประเทศไทยด้วยตอนนี้ครับไปถึงต่างประเทศด้วยท้วส้ำไปเยอะแหะโแฉวเลยครับไทยๆหน่อยครับก็เหมือนกับเป็นยาที่ใส่ไว้กับมีเคลือบช็อกโกแลตข้างนอกนะจะได้รับประทานกันง่ายๆหน่อยนะครับ จริงๆแล้วถ้าเราได้ฟังธรรมะเนี่ยจะได้คติเตือนใจเวลาดำเนินชีวิตก็จะมีแง่คิดหรือแม้แต่เวลาถ้าผิดหวังท้อแท้ขึ้นมาก็จะไม่ฟูงไฟอะไรมากมายเนื่องจากมีสิ่งยึดเหนี่ยวนั่นเองนะครับไ ม, า, มารายในช่วงที่ผ่านมาท่านท่านพระอาจารย์ได้ไป d e l i v e r รี่ธรรมะที่ไหนบ้างครับ ไปที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ oh. ่งชื่อรู้สึกจะเข้าใจไปนิดหนึง่งอาตมาเสนอชื่อเขาเปลี่ยนชื่อแนละ้วเป็นสมาคมคนมีความรักแห่งประเทศไทยเลยเพราะเลยฮเพราะความรักทำให้คนตาบอดนะไปอยู่ตรงนั้นโนอะ๋เห็นคนเขาถึงเขาจะตาบอดครับแต่เขาเป็นคนขยันนะทำการทํางานทุกคนในประโยชน์ oh. ถามใครไม่มีใครนอนอยู่เฉยเลยถึงจะตาบอดก็ตามที่สําคัญคือเขามีกําลังใจเขามีความสุขทำกิจกรรมอะไรเวลาฟัง มีความสุขสนุกสนานมากๆเลยโอ้โห oh oh. เห็นแ้วชื่นใจมากยอดเยี่ยมมากเลยครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะเป็นคนพิการนะครับแต่เขาก็สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างดีและฟังธรรมะได้อย่างชนิดที่เรียกว่าตื่นตัวมีความเข้าใจมีความกระตือรือร้นรในการที่จะฟังเราไปดูไหมครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างและเขาตั้งใจฟังกันดีอย่างไรและพระอาจารย์มีอะไรไปนําเสนอกันบ้างลองชมดูเลยครับ อบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่สาธุชนทุกท่านนะขอเจริญพรแล้วขอสวัสดีกันอีกครั้งหนึง่งก่อนอ่ะสวัสดีจเจริญพรคุณโยมนะโอ้บางคนเป็นนมัสการเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยโอต้องเปลี่ยนชื่อใหม่จะมาเมื่อกี้คุยกับทีมงานแล้วน่าจะเป็นสมาคมคนมีความรักแห่งประเทศไทยอืมต้องโรแมนติกโรแมนติกหน่อยใช่ไหย อ, อฟังว่าตาบอดตาบอดแล้วยังไงหยกสมาคมคนมีความรักแห่งประเทศไทยเลยเนี่ยความรักทำให้คนตาบอดเนี่ยมีเฉลยเองด้วยโอ้วันนี้ดีใจไหมเอ่ยวันนี้มาพบพระดีใจไหมเอ่ยปกติเจอพระพบพระบ่อยไหมบ่อยพบพระแล้วรู้สึกยังไงดีขึ้นนดีใจบางคนรู้สึกรวยขึ้นด้วยเน่ยเพราะว่าพระชอบบอกหวยบ่วยเลยจริงไหมไหนใคร ขายลอตเตอรี่ขายอะไรบ้างยกมือขึ้นทําอาชีพอะไรบ้างนี่ไหนใครขายลอตเตอรี่บ้างยกมือขึ้นโอ้โหสุดยอดเลยไหนใครร้องเพลงรองลง้รองเพลงมีร้องเพลงไหมไหนใครแบบว่าทําเป็นอะไรนะทำสร้อยข้อมือทําอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะา<ม>าเอามีไหมใครทําบ้างยกมือขึ้นโอ้โหทําได้หลายอย่างเลยทําอะไรอีกทําอะไรอีกนวดนวดนวดโอ้โหทําให้คนสบายไหนะยองยกมือขึ้นสิมีผู้ชายนวดเป็นไม่เอ่ย อัตมารู้สึกเมื่อยเลือเกินสุดยอดเลยพี่โยมไม่ไม่ขี้เกียจเลยพี่โยมเวลาเราทํางานเราไม่ขี้เกียจเหรอเราอยู่ด้วยกันเนี่เคยทะเลาะกันบ้างไห ม, ไ, มไหนใครเคยทะเลาะบ้างยกมือขึ้นโ อ, โอ้นี้ทะเลาะกันทุกวันเลยเหรอเนี่ยยังจะทะเลาะกันอีกก็บอกแล้วไปสมาคมคนรักกันแห่งประเทศไทยจะไปทะเลาะกันทําไมโอ้โอบางคนอยู่ข้างนอกพี่โยมเอ้ยเปิดหนังสือพิมพ์มาเอาเองแล้วค่ะเมียฆ่าลูกฆ่าอะไรอย่างนี้ดีไหม เป็นด็อกเตอร์ด้วยนะรวยด้วยนะแต่ไปฆ่าเมียฆ่าลูกฆ่าตัวเองตายแสดงว่าคนเราบางทีเนี่ยโอ้ยตาดีกับไม่รักกันนะคนเราต้องรักกันตลอดไหมคุณโยมยคิดว่าตัวเองเนี่ยด้อยกว่าคนอื่นไหมคุณโยมทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เราทํางานได้ไหมเราสู้ชีวิตไหมโอ้โหแสดงว่าคนที่ดูอยู่แล้วไปฆ่าเมียฆ่าลูกฆ่าตัวเองตายไม่สู้ชีวิตนี่น่าอายเราน้อคุณโยมเนาะเพราเรายังสู้เลยใช่ไหมคุณโยม เออแล้วก็อารมณ์ดีไหมพวกเราดีความสุขเป็เราอยู่ที่ไหนที่ใจอยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกเลยอัตมาเคยไปบรรยายโรงเรียนสอนคนตาบอดหน้าโรงพยาบาลพระองกุฎรู้จักไหมคุณโยมโอ้โหไหนใครเไปที่นั่นฟังยงมื่อวันนีอะนี่สิทธ์เก่าที่นั่นเลยเนี่ยอ้าวมันจะสิทธ์เก่าตัวนี้เนาะโอ้ยงวนเบียดธนาเอ๊สนุกมากๆเลยอัตมาไปบรรยาย S <S เห็นเด็กรูมหนึ่งเขานั <sk> ่งเงี e ่ยห <ang> ูฟังวิทยุเขาจะมีวิทยุใช่ไหมตัวนี้อย่าหูฟังอาตมาเลยถามเอ๊ะทาไมเงียหูฟังลูกพอดีเคลื่อนไม่ค่อยชัดอาตมาเลยรับปากว่าจะซื้อเอ็มพสามไปให้รับปากมาสามเดือนแล้วล่ะตอนนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วยังจะเอาไปให้ก็ล่ะจะเอาไปให้ได้อยูสิบตัวเงินหมื่นหนึ่งซื้อได้สิบตัวก็เลยเอาเพลงสตริงพวกเราร้องเพลงเก่งไหมเนี่ยโอ้โหเด็กที่นั่นร้องเพลงเดี๋ยวตมาขนลุกขนพองเลยโน่ร้องเพลงกำมงกำมีเราเรียงับที่ส่งพิเศษไอร้องเพลงเพราะมากเลย ก็เลยจะเอาเพลงสตริงใส่ให้แล้วก็ เ, เพลงลูกทุ่งใส่ให้แล้วก็จะเอาที่อาตมาบรรยายทำเนี่ยใส่ให้ด้วยโอ้ลูกศิษย์เก่าเรารู้ไงรู้ไหมบอกพระอาจารย์เอาแต่สตริงกับลูกทุ่งใส่ก็พอที่พระอาจารย์เทพไม่ต้องเอาใส่หรอกนะคะดูดูเซส่วนมากเราจะเน้นเรื่องการฟังใช่ไหมคุณโยมแล้วก็การพูดด้วยโอ้สัญชาติญาญณพวกเราจะดีมากเลยเรื่องนี้การพูดเป็นสิ่งสําคัญไหมสําคัญมากมากเลยอ้าวต่อไปนี้อาตมาจะ พูดไปพูดไปแล้วก็ถามคุณโยมนะอาตมาขึ้นเครื่องบินบ่อยเคยขึ้นเครื่องบินไหมใครเคยขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นโอ้โหอะไรจะทันสมัยขนาดนั้นเนี่ยทีมงานอาตมาหลายคนยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยนะอาตมาไปขึ้นเครื่องบินการบินไทยคุณโยมโอ้โหการบินไทยต้อนรับดีไหมโอ้โหดีมากเลยมีเด็กคนนึงอะสิเครื่องบินกำลังจะบินวิ่งเล่นเฉยเลยไม่ยอมนั่งแอร์โฮสเตสสุดยอดเลยบอกอ่าหนูขาหนูอย่าวิ่งเล่นนะคะนั่งนะนั่งนะอย่าดื้อนะคะ ถ้าอยากจะวิ่งเล่นนะคะให้ไปวิ่งข้างนอกเนี่ยแล้วดูดูขึ้นเครื่องบินอยู่ให้ไปวิ่งข้างนอกก็ตายเลยเนี่ยจะไปวิ่งบนปีกเครื่องบินหรือไงเออคนเราสาคัญอย่างนั้นวันนี้มีเด็กมานั่งด้วยเด็กเนี่เราอย่าเบื่อที่ตอบคาถามเขาครัคุณโยมนะเด็กบางคนแม่ทําไมรถถึงวิ่งได้อ่แม่ก็บอกเอาก็รถมันมีล้อเนี่ยลูกนะเอาแล้วทําไมคนไม่มีล้อทําไมวิ่งได้ อทำไมมันถามเก่งกันเกนลูกเนี่ยก็คนมีขาเนี่ยลูกอ๋อคนมีขาเอาแล้วทำไมโต๊ะมีขาทำไมวิ่งไม่ได้แม่แม่ตอบว่าแม่ตบลูกเลยมาถามอะไรเยอะแยะขนาดนั้นไอ้แกะเจ้าแกะนี่มันชอบหลับคุณโยมเออเรียนนั่งอยู่หน้าห้องอยักษอุตสาลหลับอีกอาจารย์ไพรินสอนเจ้าแกละเจ้าแกะจำเรื่องนี้ได้ไหมให้การบ้านเลยสอนเรื่องผู้มีพระคุณในคุณโยมกาตันยูกตาตะเวทีต่อบิดามารดาก็สอนไป ไอ้แกะน้ำลายไหลยืดยืดยดเลยรูปแห่งเด่นตบโ ต, บตบ๊ไปยังไงแกะเธอเอาการบ้านไปสองข้อนะถ้าเธอตอบไม่ได้จะตีข้อละสิบทีข้อหนึ่งบิดดาคือใครโอ้ข้อสองมานดาคือใครไปเอาไปทำในการบ้านไอ้แกะกลับบ้านไปโอ้โหพ่อเดินเมามาเลยคนเมาเนี่ดีไหมคุณโยมเ<ป>ออไม่ดีเดินเป๋เดินเซไปเซมาเลย ไปถามพ่อพราะช่วยพ่อพ่อหน่อยบิดาคือใครพ่อก็ถึงจะเมาแต่ก็รักลูกนะเฮ้ยไอโง่เฮ้ยเจแก่เฮ้ยมันจะไปยากอะไรบิดาก็อูนี่ไงโอ้โหไอแก่เขียนลงไปเลยบิดาเท่ากับอูนี่ไงโอ้โหพ่อไหนๆก็ไหนๆแล้วเจ๊แไปถามแม่ถามพ่อแล้วกันแล้วมารดาคือใครโอ้โไอโง่เฮ้ยทำไมไม่ฉลาดเป็นพ่อเลยมารดาต่แม่มึงไงไอแก่ก็เท่ากับเลยมาดาเท่ากับแม่มึงไงโอ้โหภูมิใจไปถึงหน้าห้องปั๊บไม่หลับเร็วนี้นั่งโอ้โหเป๊ มาไงแกครูไพรินถามบีดามานาคือใครจะไปยากเลยครับอาจ า, ารย์บิดาก็อูนี่ไงตายแล้วขนสูดหน้าแดงเลยตายแล้วแล้วมาดาก า, ามารดาก็แม่เป็นไงไอแกเลยโดนตีหนักกว่าเดิมเป็นสี่สิบทีเลยน ะ, สะแสดงว่าแก่จะไม่เคารพครูอาจารย์เลยโอ้ไม่ตั้งใจเรียนดีไหมพี่โยม <S <S ลูกหลานเราเห็นไหมตัวเล็กในทั้งมาช่วยคุณยายด้วยแล้วก็ตั้งใจเรียนแ้วเอาเนี่ย วันต่อมาครูไพรินแทนโอ้โหโกรธโกรธไอ้แกะมันเหลือเกินจริงๆหลับอีกแล้วเจ้าแกะพอสอนวันนั้นปั๊บสอนไปสอนมาไปสอนเรื่องของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะครูก็สอนไปนะสิ่งมีชีวิตก็มีช้างม้าวัวควายนะอะไรก็สอนไปไอ้แกะหลับอีกแล้วครูไพรินตบโต๊บเลี่ยงไอ้แกะสิ่งมีชีวิตคืออะไรไอ้แกะหันหน้าไปหาเจ้าจุกให้จุกบอกหน่อยเฮ้บอกไม่ได้เดี๋ยวครูตีอ๋อสิ่งมีชีวิตเหรอครับคุณครูไอ้จุกก็แมงเกรงใจเพื่อนก็ได้บอกช้างม้าวัวอ สิ่งมีชีวิตก็คือช้างมา้าวัวควายแล้วก็คุณครูครับโอเก่งนี่เธอเนี่ยถึงจะหลับจะตอบได้แล้วสิ่งไม่มีชีวิตน่ะอ๋อช้างตายม้าตายควายตายคุณครูตายครับหนักกว่าเก่าอีกตายแล้วโอ้โหคุณครูเก็บความแค้นเอาไว้อีกแล้ววันต่อมาอือหึอาจารย์เพลินคุณครูเพลินแค้นเจ้าแกะมากลูกศิษย์คนนี้มันดื้อแต่มันฉลาดเหลือเกิน วันนั้นก็สอนในเรื่องของความฉลาดความโง่อา้าได้ทีโอกาสเจ้าแกะหลับอีกแล้วครูไพเรนก็เลยถามใครรู้ตัวว่าโ ง, ง่ยืนขึ้นตบต๊กเรี่ยงไอ้แกะตกใจยืนขึ้นมาเลย น, น่นานน่านน่นยิ้มเลยคุณครูไพเรนแสดงว่าเธอยอมรับว่าเธอโง่ใช่ไหมแกะเปล่าครับคุณครูอา้าวแล้วเธอยืนขึ้นทําไมผมยืนเป็นเพื่อนครูครับ <c oughs> ตายเลยโดนไปสามดอกแล้วคุณครูไพเรนตายแล้วเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี วันต่อมาคุณครูพลิตจะเอาคืนเจ้าแกะให้ได้โอ้โหวันนี้สอนเรื่องความมีเมตตาเมต่านี่ดีไหมคุณโยมเมตตาทำคําชนโลกนะเมตตาไม่ดีอ๋อไม่ได้คนชื่อเมตตาออโ อ, โอเมตตาไม่ดีใช่ไหมเนี่ยแสดงว่า เ, เจ้าชู้เลยเนี่ย <c oughs> เมตตาดีแปลว่าความรักาคุณนักเรียนจ๋าสมมตินักเรียนนะคุณครูเดินไปในป่านะไปเจอควายตัวหนึ่งนะเดินไปเดินมาแล้วประเอิญว่าเชือกที่ล่ามควายเนี่ย มันไปพันขาควายแล้วก็พันกับต้นไม้คุณครูไพเรียนก็ใจดีไปเอาเชือกออกจากขาควายแล้วควายก็เดินได้สะดวกสบายแสดงว่าเป็น ค, คุณครูเป็นคนมีเมตตาไหมคะใช่แต่เจ้าแก่ยืนขึ้นไม่ใช่ครับตัวตรูครับถ้าคุณครูไปช่วยเอาเชือกออกจากขาควายควายเดินได้ปกติไม่ใช่เมตตาครับอา้าวแล้วเป็นยังไงแสดงว่าคุณครูเป็นคนรักวพวกพ้องครบับตายเลยกลายเป็นพวกพ้องของัวควายไปอีกแล้วโอ้โหไอ้แก่เนี่ยมันเหลือเกินจริงเลย โดนตีหนักกวเดิมเลยค่ว่าครูรักพวกของอีแ ส, สดงว่าคุณครูเป็นพวกของสรรสัตว์ซะเนี่ยจริงๆคนเราเป็นสาตว์นิดหนึ่งไหมท่านโยม <c oughs> แต่เป็นสัตว์ประเสริฐที่ไหนที่หน้าตาที่รูปร่างไหมที่ไหน <c oughs> ที่จิตใจเราช่วยเหลือกันรักกันอยู่ด้วยกันด้วยความรักแ ส, สดงว่าเรามีเมตตามีความรักต่อกันในปัจจุบันนั้นการใช้ชีวิตของคนไทยเราได้รับการบอกกล่าวว่าอย่าใช้ชีวติตมันฟุ่มเฟือยนะนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วจะดีกว่า อะไรไม่ควรซื้อก็อย่าซื้อแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่รอตารอใจของคนไทยนั้นยังมีอยู่มากมายครับโทรศัพท์ก็ออกใหม่รถยนต์รุ่นใหม่ก็มาอยากได้บ้านหลังใหม่แฟชั่นใหม่ๆมันเข้ามาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมถือได้ว่าไม่รู้จะทํำยังไงดีครับในการที่จะยับยั้งชั่งใจใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับพระอาจารย์ครับตาหจูจมูกลิ้วกายใจท่านอาจารย์เวลาเรามองเห็นสิ่งไหนมันก็จะอยากได้สิ่งนั้นหนหะ ที่อาจย์บอกเห็นโทรศัพท์อยากได้โทรศัพท์เห็นรถรุ่นใหม่อยากได้รถรุ่นใหม่อะไรก็ตกรุ่นไปหมดเหมือนที่เขาว่าเลยโทรศัพท์ตกรุ่นรถตกรุ่นบางทีแฟนตกรุ่นซีกบุญกนฉะนั้นตาเนี่ยจึงเป็นเป็นต้นเหตุเป็นจุดกำเนิดให้เกิดกิเลสต่างๆมากมายเวลาเราอังสุพิมจะเนี่ยโชว์เขาานั่งอยู่เดียวๆกับสุภาพสตรีเห็นผู้หญิงอยู่คนเดียวเห็นผู้หญิงอยู่คนเดียวเห็นคนแต่งตัวว่าแบบเริ่มจากการเห็นฉะนั้นถ้าไม่มีการเห็นบางทีกิเลสก็จะไม่เกิดฉะนั้นอาตมาว่าบางทีคนเราเนี่ย ตาดีแล้วมีกิเลสมันก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายตามมาเหมือนกันครับโอ้ยงี้ถ้าเกิดตาดีก็เจอในสิ่งที่ไม่ดีเลครับอาจารย์แหมก็ไม่อย่างนั้นสักทีเดียวนะท่านอาจารย์จะตัวคนนะเดี๋ยวจะหาว่าแตามาไม่มชัชฉิมาปฏิปทา <ฮะ S 2> ถ้าเกิดคนที่มองเห็นแล้วมีปตินะไปดูแลจิตใจตัวเองได้เห็นแล้วยับยั้งจังใจได้โอ้โหภรรยาคนนี้สวยจังเลยเป็นภรรยาเราดีไห ม, มเห็นไหมที่หนังสืบพิมพ์ออกกัน เขามีลูก<ข><า>มีสามาีอยู่แล้วยังไปหึงไปห่วงเขาไปฆ่าเขาไปฆ่าลูกเขาครัถ้าเกิดว่าตามองเห็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจิตใจออืเราควบคุมได้มีสติเหมือนที่เขาบอกใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าควบคุมได้อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาทัศนจิตทุกคนแหมน่าสนใจมากทีเดียวครับคุณผู้ชมครับลองไปฟังพระอาจารย์นําเสนอในเรื่องนี้กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับวัฒนวิถีสังคมมั่นหมายพุณโยมเอ้ยการที่คุณโยมผู้พุทธศาสนาถือว่า ตาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งละที่ทําให้เกิดกิเลสใช่ไหมคุณโยมไปเห็นอะไรว่าัฟแยมแยมไปเห็นสิ่งที่ไม่ดองไม่ดีจิตใจก็คิดไม่ดีแล้วเปิดหนังสือพิมพ์หน้านหนึ่งก็เครียดแล้วเออฉะนั้นบางทีความสุขคนเราเนี่ยพระจะสอนให้หลับตาหลับตาอยู่ตลอดน ะ, สะแสดงว่าจริงๆรเนี่ยการหลับตาแล้วไม่ไปรับกิเลสจากข้างนอกทําให้ชีวิตเรามีความสุขนะเหมือนคนเราบางทีเจออะไรมากโอ้โหกลายเป็นบงเป็นบ้าไปเลยคุณโยมเออเยอะแยะมากมายคนบ้าคนหนึ่งคุณโยมจะเดินลาบแปลงคุณโยม ลากแคร์แคร์แๆๆ์แคไปอยู่ที่สีรัญญาเลยนะคุณหมอกระนั่งทำงานอยู่ผ่านไปเอ้าไปไหนน่ะลากแปลงที่พันไปไหนคนบ้าด่าเลยบ้าเปล่าหมอลากแปลงที่ฟันไหนผมขับรถสิบล้ออ๋อคนบ้าไงไม่ถือคราอ๋อขับรถสิบล้อโอเคนะก็ขับระมัดระวังนะเมาอย่าขับนะนั่นคุณหมอจะไม่เล่นด้วยอีกเมาก็อย่าขับล่ะสักพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปแกก็ลากแปล้งตัวเองไปแครแคร์แคร์ๆคร์กลับมาคุณหมอเลยเล่นด้วยอ้าวว่าไงขับรถสิบล้อกลับแล้วเหรอ คุณหมอบ้าอ้าปากอ้าคุณหมอครับรถเกียร์อที่ไหนผมลากแปลงที่ฝันอา้าอีกคนหนึ่งคุณโยมกําลังนั่งเขียนจดหมายอยู่เป็นคนบ้านนะนั่งเขียนจดหมายอยู่คุณหมอเดินมาก็เหม็ไปเช็คผู้ป่วยเท่าน่อยเป็นไงเขียนอะไรทําอะไรอยู่อมอเขียนจดหมายครับเขียนถึงใครเขียนถึงตัวเองครับเอา้าวอ๋อเหรอแล้วเขียนว่ายังไงหมอบ้าเ้าปากอ้าเลยหมอผมยังไม่ได้ใส่ซองยังไม่ได้จ่าหน้ายังไม่ได้ติดสแตมยังไม่ได้ไปส่งแล้วยังไม่ได้รับยังไม่เปิดซองอ่านแล้วผมจะรู้ได้ยังไงเนี่ย ดูเขียนอยู่เองกับมือได้เลยนะคุณหมอเขาโอ้โอ้โอ้ได้ได้ได้ได้อีกคนนึงโอ้โหนี่แหละมานั่งมาชุมกันนี้เละคุณหมอถามจะเช็คใหม่จะได้ปล่อยตัวกลับบ้านไหนมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังบ้างผมกับคุณหมอครับผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งไปกินข้าวกับนายกมาโอ้โหขนานั้นเชียวเหรอคนบ้าอคนหนึ่งยืนขึ้นมาเลยคุณหมออย่าไปเชื่อมันครับมันไม่เคยกินข้าวกับผมเลยครับดูว่ามันชื่อว่ามันเป็นนายกอีกคนหนึ่งหนักยิ่งกว่าเก่าอีกคนโยมอีกคนนึ่งคนบ้า ไปยืนมองตำรวจอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงคอยโบกรถใช่ไหมรถไปเขียวมาไฟแดงมาไฟเขียวมาไฟแดงม า, ม า, งมาคนบ้านนั่งกังนอนเดินไปตกหัวตำรวจพัวเลย<า>บ้าเปล่านิเฮย์ไม่ยืนให้รถชนทําไมหนิเฮยเขาคิดว่าตำรวจไปยืนให้รถชนนี่นีี่ยืนดูต้างนานแล้วยืนดูตั้งนานแนละ้วนะเอา้าต้องคุณเป็นคนบ้าไม่ใช่เหรอใช่ผมบ้าแต่ผมไม่ง้อให้ยืนให้รถชนนะแสดงว่าเกหวังดีกับตำรวจมากเลยเนี่ยนะกลัวรถชนตำรวจคุณหมอก็รักษาคนป่วยมาหลายปี เอาละวันนี้จะตัดสินว่าใครจะได้กลับบ้านบ้างโอ้โหแกก็เลยคุณหมอสั่งให้ปล่อยน้ําออกจากสระจากบ่อให้หมดเลยแล้วก็ประกาศาสวัสดีครับคนไข้ทุกท่านนะครับวันนี้เราได้อนุญาตให้ทุกคนไปไหวยน้ําที่สระว่ายน้ำได้โอ้โหคนบ้าทุกคนวิ่งไปไปอยู่ในบอ่อน้ำไหว้น้ํากันใหญ่เลยทั้งๆที่ไม่มีน้ําไหวยท่ากันเชียงไหว้ท่าโคบท่ า, าครางโคกอะไรไหว้หมดเลยไหวยไปไหว้มามีคนบ้าคนหนึ่งยืนอยู่มุมสระคนยง โอ้โหคุณหมอเห็นละสงสัยคนนี้จะได้ออกแน่ๆเลยเอา้าทำไมคุณไม่ไปไว่ายน้ํากับเขาละ่ะบ้าหรือเปล่าคุณหมอเอ๋อตรงไหนเนี่ยก็เขาไ็ว่น้ํากันเต็มไปหมดผมจะไปไว่ายน้ํากับเขาทำไมเอาแล้วคุณหมอยิ้มเลยสงสัยเรารักษาดีคนจะได้ออกจากโรงพยาบาลสีไม่ไปไหายน้ําเขาหรอกทําไงไม่ไว่ายอ๋อพอดีผมไม่มีชุดไหายน้ำตัวเกงก็ไม่มีเสื้อก็ไม่มีจะไปไว่ายน้ําได้ยังไง อ, อยู่หนักยิ่งกว่าเดิมพี่คนโยมงั้นคนเราเห็นไหมเป็นซะอย่างนี้แหละฉะนั้นโลกข้างนอกนี่คนโยมเครียดมากมเลยเหนื่อยมากๆเลย ตอบเป็นนี่คุณโยมชอบฟังนิทานไหมนิทานมีหลากหลายอย๊อายุขนาดนี้เราจะชอบฟังนิทานเลยเนี่ยโอ้โหเด็กชอบฟังนิทานผู้ใหญ่ก็ชอบฟังนิทานเนาะเอาอย่างงี้ในฐานะที่วันนี้ได้มาเจอคุณโยมเราอาจะมาจะเล่าให้ฟังสักสี่เรื่องเลยดีไหมโอเคนิทานเรื่องแรกแต่มันเป็นนิทานที่สนุกสนานมากนะทุกครั้งที่จบคุณโยมต้องตบมือหัวเราะด้วยนะได้ไหมไมีการบังคับไปในตัวด้วยเรื่องที่หนึ่งคุณโยมโอ้โหสามีขับรถภรรยา น, นั่งอยู่ข้างๆ รถไปติดสัญญาณไฟแดงสักพักหนึ่งไฟเขียวขึ้นตัดภรรยาสักกิดสามีเลยพี่พี่ไฟเขียวแล้วอ๋อเหรอเนาะไม่ต้องยุ่งอู้เป็นคนขับจบเรื่องที่หนึ่งคุณโยมโอ้โหนิทานเขาสนกจริงๆรนะเนี่ยเรื่องที่สองอชอบที่นี่มากเลยให้ความร่วมมือมากเรื่องที่สองคุณโยมภรรยาหุงข้าวโอ้โหสามีนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่สักพักหนึ่งมอข้าวเดือดปุ๊บเลย มีบอกน้ ong, no องน้องม้อข้าวเดือดแล้วภรรยาหันพรบเลยไม่ต้องยุง่งกูไปควนุงจบเรื่องที่ส 2. 2> อง อ, อยากมาบรรยายที่นี่ทุกเดือนเลยนะเนี่ยให้ร้อมร่มมือต่อไปเป็นเรื่องที่สี่อะไรนะไม่ต้องยุง่งพระไปคนเล่าแม่มิดมิดตกมือให้พระด้วย ถามจริงคุณโยมจะเกิดพระมากับคอนเสิร์ตมาจะดูใครเอาดูคอนเสิร์ตอนาน้อยใจแทนพระแล้วเกิดถ้าเกิดพระมากับเบิร์ดมาจะดูใครดูเบิร์ดถึงแล้วพระมากับตายอรไทยมาจะฟังใครโอ้โหถ้าเกิดพระมากับผีมาจะอยู่กับใครไม่อยู่กับผีเลยเหรอนี่เขาเรียกว่าเห็นไม่เห็นหลงสศพไม่หลังน้ําตาไม่เห็นปลาล้างไม่หลังน้ําลายแหมก็มีความสรงจำลืมพระลืมเจ้าฉะนั้นอย่าลืมพระนะ ผู้ชม ค, ครับนอกจากพระอาจารย์สมปองจะได้นําธรรมะไปเดลิเวอรี่ตามที่ต่างๆแล้วนะครับท่านยังได้ชื่อว่าเป็นพระรูปหนึ่งนะครับที่มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวจะเรียนถามท่านนะครับว่าระหว่างธรรมะกับวัฒนธรรมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกั น, กนยังไงครับท่านโอโหยแยกกันไม่ออกเลยครับพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทยเนี่ยครับควบคู่กันมาโดยตลอด การกราบไหว้การอ่อนน้อมถ่อมตนการมีสัมมาคารวะเนี่ยเป็นสิ่งที่พระรูปศาสนาจะปลูกฝังให้กับเด็กไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันอยู่แล้วในเรื่องการไหว้เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างง่ายที่สุดเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยการสัตรย์ต่างประเทศนะพ่อแม่นาตาลีมามาเจอมาถึงก็ไหว้สุพิมแล้วก็ยังถ่ายสวยงามเลยครับผมอันนี้อาตมามีโอกาสในการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมไทยอาตมาก็ยินดีมากๆเลยที่จะสนับสนุนส่งเสริมครับอันนทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาใช่ไมท่าอาจาร ถึงมาเจอคุณปู่เราก็ไหวเจอคุณย่าไหวคุณตาไหวคุณยายไหวคุณน้าไหวคุณอาไหวคุณหมาโอ้อนุพเกินไปเจ๊ไหมต้องพอดีพอดีเลยครับฉะนั้นการไหวนี่เป็นเสน่ห์ที่ซื้อใจคนได้ง่ายที่สุดแล้วยังมีการอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างอื่นอีกฉะนั้นแล้วอาตมาแหม่มมีโอกาสก็ต้องส่งเสริมเพราะว่าวัดในต่างประเทศก็ยังเน้นเรื่องนี้ฉะนั้นพระไทยวัดไทยถ้าลืมเรื่องนี้ก็เสียหายฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันลดลงนี้คนไทยจะได้ไม่ลืมวัฒนธรรมไทย โอ้แฉลเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปชมกันนะครับว่าพระอาจารย์สมกองนั้นจะนํมาทำมัตไปส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของเราได้อย่างไรบ้างครับวันนี้เราจะมาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยจะไหมคุณโย ม, ม, ม, มเอาอย่างนี้คุณโยมตอนนี้เนะี้ยคนพ่อประเทศกําลังจะดูเราอยู่นะเรามาสอนวัฒนธรรมไทยกันดีกว่าคนไทยเจอกันเนี้ยคุณโยมรวยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอาตมาจะรู้ไหมไม่รู้แต่ถ้าเกิดคุณโยมไหวเราเลยเลยว่ามีวัฒนธรรมในลองไหวาอาตมาจะสวยหนึงสองต้า เอาเรื่องที่สามต่อเอายังติดใจเรื่องที่สามอยู่แล้วเนี่ยตอนนี่ทานสี่เรื่องได้ไปสองเรื่องยังไม่มีเรื่อง 3. 3> สามว่าคุณยมยังไม่เหลืออีกเนาะคุณยมตอนนี้มีความสุขหรื อ, อยังคุณโย ม, มไหนลองตะกลวนว่ามีความสุขดังๆเรื่องสองตันไหนคุณยมอยู่กับพระมีความสุขไหนคุณยมลงพนมมือขึ้นว่าตามอาตมาสเส น, น่ห์ของคนไทยมีห้าอ่อน อะไรอ่อนบางนะหนึ่งหัวอ่อนสองปากอ่อนสามมืออ่อนสี่หลังอ่อนห้าเข่าอ่อนหกพอแล้วหกไม่มีถ้าหกก็ปัญญาอ่อนแล้วนะเป็นคนที่ไปกรงมั่นกรงเมืองคนที่ไปข้าวคนนั้นข้าคนนี้เนี่ยปัญญาอ่อนนั่นเนี่ยปัญญาไม่แข็งแกร่งเลยหัวอ่อนหมายความว่ายังไงคุณโยมหัวอ่อนหมายถึง หัวไม่แข็งอ่อนทำไมเล่นง่ายจังหัอ่อนคือเป็นคนว่านอนสอนโอ้โหคุณโยมปลงเลยนะกับคุณโยมหนเลยอย่างนี้ต um ้องมอบบ้านและนี่สินให้หนึ่งรางวัลซะแล้วมอบ้านเลยที่ดินหัวอ่อนคือเป็นคนว่านอนสอนลูกหลานเราทุกวันนี้ว่านอนสอนง่ายไหมโอ้โหบางคนอะชอบเดี่ยวแม่สอนลูกทําการบ้านที่ลูกเดียวไปซื้อของให้ยายใลยลูกเดียวซักผ้าที่ลูกล้างถ้วยที่ลูก ก็ลงโยมเป็น ล, ลูกกษัตริย์ใช่ไหมเนี่ยสมมติว่าเราเป็นลูกก็แล้วกันนะทูบ้านหน่อยี่ลูกช่วยบอกให้แม่หน่อ ย, อ, ยอ่านหนังสือได้ยังเดี๋ยวต่อไปแม่จะเอาเขินนะแม่อขอจังหน่อยเดียวนั่นังั้นทําทดีได้ไม่ต้องอเดียวมีความสุขเดียวนี้เลยเดี๋ยวเดียวทําไมน้อยจังมีความสุขเดียวนี้สองอะไรอ่อนคุณโยมสองปากอ่อนคือเป็นคนพูดจาไพเรพูดจามีหาง ใครให้สิ่งของก็ขอบคุณใครช่วยเหลือเราก็ขอบคุณทําผิดต่อใครไปเดินชนเขาก็ขอโทษอู้โอโหูเรื่องการพูดนี่มีมากมายเลยอาจจะมีคําพูด่ายกตัวอย่างนิดหน่อยนะมันจะเป็นคำหยาบหน่อยอาตมาเคยไปถามเด็กคนหนึ่งชื่ออะไรลูกเด็กผู้ชายตัวเล็กนั้นนะประมาณแปดตัวชื่ออะไรครับไม่รู้ครับเอา้าไม่รู้ได้ยังไงอย่ามาอําพระสิลูกชื่ออะไรลูกไม่รู้ครับเอา้าทำไมไม่รู้พ่อเรียกไอ้เฮียแม่เรียกไอ้พายพีพ่ชายเรียกไอ้สักผมเลยไม่รู้ผมชื่ออะไรครับ เราอยากให้ลูกพูดเพราะเราต้องทายังไงพูดเพราะกับลูกไม่ต้องไปสอนลูกโยมอยากให้ลูกดื่มเหล้าก็ดื่มเหล้าให้ลูกเห็นลูกดื่มไหมดื่มเพราะว่าพ่อดื่มอยากให้ลูกเล่นการพนันก็เล่นการพนันให้ลูกเห็นลูกเล่นไหมเล่นเพราะว่าพ่อแม่เล่นให้ดูถ้าไม่อยากให้ลูกดื่มเหล้าเราก็ต้องไม่ดื่มเหล้าหรือจะดื่มให้ลูกเห็นถ้าไม่อยากให้ลูกเล่นการพนันเราก็ต้องไม่ไม่เล่นการพนันอยากให้ลูกพูดเพราะเราก็ต้องพูด เหรอเทคนิคเทคโนโลคุณยมรู้จักเด็กเทคนิคเทคโนโลยไหมโอ้โ ห, โหตีกันไปไหมเทคนิคเทคโนโลีเนี่ยโอ้โหเทคนิคคนโรงเรียนนั้นตีกับเทคนิคโรงเรียนนี้บางที่นะส่วนมากเขาจะดีส่วนมากโรงเรียนสองเรียนนี้ตีกันเดือดร้อนไหมมันไม่ค่อยตายไหมเขาเดือดร้อนส่วนมากคนเดือดร้อนจะเป็นบุคคลที่สามคุณยมคือคนที่ไม่รู้อีโนอีเนพราะเรารู้จักอีโนไหมเพราะเรารู้จักอีเน่ไหมเออซวยนะเนี่ยใครไม่รู้จักอีโนอีเน่เนี่ย เราไม่รู้นะว่าสองคนนี้เป็นลูกใครแต่ใครที่ไม่รู้จักอีโนโอีเนี่ยซวยทุกทีเลย เ, เทคนิคเทคโนโลย ค, คุณโยมเจอกันสัตว์เลยทานเต็มบ้านเลยคุณโยม<อ>เข้าใจไหมคนเราเวลาพูดกันคําหยาบหยาเพราะอะไรรู้ไหมคุณโยมเขาจะอ้างว่าเขาสนิทเขาสนิทกันจริงไหมคุณโยม<อ>จริงไหมว่าคนสนิทต้องพูดคําหยาบต่อกันจริงไหมไม่จร<อ>ิงไม่จริงหรอกถ้าใครบอกว่าจริงสมมุติว่าพระสนิทกันคุณโยมหรือภาพพระสนิทกันนะ จริงๆล้วคนสนิทการจ้องจําเป็นต้องพูดทําหยาบคายไหมไม่พวดผมพูดคนได้ไหมใช่ทำไมเราจําเจ้าชายจิ k มีได้รู้จักเจ้าชายจิกมีไหมพะโยมรู้จักโอ้โหเพราะพระองค์หลอลอโอ้โหมพวกเรารู้ได้ยังไงเนี่ยฮะได้ยินข่าวใช่ไหมและสองเพราะพระองค์ไหวพระองค์เคารพนบนอบไหว้ตลอดเจอแม่ค้าก็ไหว้เจอคุณย่าคนณยายพระองค์ไหว้หมดตอนนี้พระองค์เป็นพระราชาไปแล้ว สังเกตไหมว่าคนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาจะอ่อนน้อมถ่อมตนคุณโยมคุณโยมนึกภาพลวงข้าวนะทำเม็ดมันใหญ่ๆสมบูรณ์อ้วนๆนะมันจะทํายังไงคุณโยมมันจะน้อมลงสู่ดินมันจะก้มลงให้ความเคารพคนอื่นคนที่มีความรู้มากคนที่มีวัฒนธรรมที่ดีมากเพราะวันนี้เราเน้นวัฒนธรรมคนที่เคารพคนอื่นเขาจะนอบน้อมเขาจะไม่หยิ่งยะโสโอหังคนมีความรู้นิดหน่อยเป็นยังไง เออโวเชิดอทอเลยไม่เชื่อฟังใครเลยไม่สนใจใครทั้งนั้นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะสอนอะไรก็ไม่ฟังฉะนั้นคนไทยเราควรจะมีหัวอ่อนแล้วก็ปากอ่อนพูดจาไพเราะต่อไปอะไรอ่อนมืออ่อนคือรู้จักการไหว่พอเราเดินผ่านพางเพราะเราก็ต้องไหว้เจอคุณปู่ไหว้คุณย่าคุณตาคุณยายคุณนาคุณอาคุณหมา อะไรจะไหวทุกอย่างขนาดนั้นเวลาเราเดินผ่านพระเราก็ต้องไหวพระเดินผ่านเราพระก็ต้องเอ้าพระก็ต้องถูกพวกเราไหวต่อไปหลังอ่อนคือรู้จักการ<อ>บางทีแหม่บางทีเราไหว้ไม่ได้ถือรองเท้าอยู่มาไหว้พระได้ไหมมาสการพระอาจารย์ถ้าอยากจะไหว้พระต้องทํายังไงไวางรองเท้าลงก่อนบางคนถือรองเท้ามาไหว้พระเต็มหน้าพระเลยไม่ต้องไหว้ก็แค่เดินก้มผ่านไป คุณลูกคุณหลานเดินผ่านคุณย่าคุณยายทุกวันนี้หลานก้มไหมโอ้ยเดินจะชนคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณย่าอยู่แล้วไม่น่ารักเลยฉะนั้นเดินผ่านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องรู้จักการก้มไปจะได้แบบว่าน่ารัก ต่อไปอะไรอ่อนคุณโยมข้าวอู้โหคุณโยมนี่จําเก่งจริงนะอาจมาพูดโม้ ม, ม, มาตั้งนางคนคุณโยมยังจำได้เข้าอ่อนคือพระนั่งอยู่ต่ำๆนั่งอยู่เก้าอี้นั่งอยู่ที่พื้นคุณปู่คุณยา่ณยาคุณตาคุณยายนั่งอยู่ที่พื้นลูกหลานต้องทำยังไงเดินเข่าคุกเข่าเดินผ่านไปก้มหลังด้วยนี่แหละอ้าวทบทวนให้ลูกหลานฟังอีกครั้งเสน่ญญห์ของคนไทยมีกี่อ่อ น, น, นอหนึ่งอะไรอ่อนสองาาสามสี่ ห้ า, หาสุดยอดเลยคุณยงปลอมือให้ด้วยเองดังๆหน่อยออคุณผู้ชมครับเด่นได้ว่าตามปกติแล้วเวลาพระเจ้าสมภพองไปบรรยายธรรมะดีดล็อบเบรี่ที่ไหนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบในการพูดเรียกว่ามีพ็อปนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพพยนตร์ภาพนิ่งภาพโฆษณาหรือภาพข่าวอะไรต่างๆเพื่อสร้างความสนใจและดึงดูดความสนใจคนฟังให้ติดตามไปแล้วก็ประกอบเป็นตัวอย่างด้วย ทีนี้ไปบรรยายในสมาคมคนตาบอดเนี่ยนะครับเจ้าภาพอะไรไปบรรยายอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับ อ, อยอมรับว่าใช้สื่อไม่ได้ยอมแพ้ยอมรับว่าใช้ไม่ได้แต่ก็เรา ไ, ไม่ยอมแพ้อเออฉะนั้นคนฟังทุกคนควรจะมีโอกาสได้ฟังธรรมะเท่าๆกันเ<อ>ฉะนั้นเมื่อใช้ภาพไม่ได้รเราง่ายๆก็ไม่ต้องใช้อาตมาก็เน้นการใช้เสียง<อ>ขึ้นๆลงๆสูงต่ํำเรียกร้องให้เขาได้สนใจในการฟังธรรมะ ซึ่งคนตาบอดเนี่ยเขาก็จะมีเซนต์ในการฟังธรรมะที่ดีอยู่แล้วเขาจะเร็วมากในการฟังเั้นเสียงอะไรนี้ได้หน่อยที่เราไม่ได้ยินเขาได้ยินฉะนั้นอาตมาก็เลยเน้นการใช้เสียงเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้เสียงเป็นหลักครับแล้วก็ให้เขาถามต่อบกอับอาตมาด้วยอเออทาไมเราจะต้องเหนื่อยคนเดียวด้วยแหมบรรยายมาหลายเทปหลายชุดชชแล้ว<ช>พูดเยอะเหนื่อยอยู่คนเดียวเพรคนเน้นให้เขาถามด้วย เอาสิ่งที่เขาถามมาตอบเขาแล้วมันก็ตรงประเด็นตรงใจกับคนที่เขาอยากจะฟังใช่บางทีเราก็แหมอยากเยียดจะเยนะเขาฟัง<ม>อย่างฟังแล้วพอไม่รู้<ม>แต่เมื่อเขาถามแสดงว่าเขาอยากฟังและคนอื่นก็ได้ความรู้ไปด้วยตอนเน้นเร้นการใช้เสียงสง่ามแล้วก็เน้นการถามการตอบซึ่งหลายคําถามก็น่าสนใจไม่น่าเ ช, ชื่อว่าคนตาบอดจะถามได้ดีแล้วก็โอโห้ลึกซึ้งขนาดนั้นโอ้ใช่อเปล่าโอ้น่าสนใจนะครับลองไปดูวิธีนี้กันดูที่ท่านพระอาจารย์ได้นําเสนอว่าน่าสนใจอย่างไรบ้างเชิญชมครับ เดี๋ยวจะทํากิจกรรมของคนแม่ตาหน่อยในคนแม่ตาอยองเอขึ้นไหนเดินมาหาตมาข้างหน้าหน่อยสิเดินมาได้ไหมเอ่ยโอ้โหสุดยอดเลยน้าเดินมาเรื่อยเรื่ยนยวซ้ายขวาขว า, ขวาอาตมานึกผิดอาตมาซ้ายมืออาตมาอ้าวคนแม่ตาเจอพระต้องทำยังไงสวัสดีกว่ากูสวยงามเลยน่ารักมากเลยคนแม่ตาชื่ออะไร ชื่อมาครับเออแล้วมาจะโง่ถามทาไมเนียเฮ้ยนามสกุลเกริเครับชื่อเล่นชื่อเล่นโอ้ชื่อเล่นชื่อเมธเลยเมธไม่เคยบางคนบอกไอเมดดูดูสิชื่อเล่นชื่ออะไรนะเขาเล่นเขาเล่นนะคิดว่าตัวเองหล่อไหมคุณโยมหล่อเอพราะว่าคนอื่นเขาหล่อไม่เอ่ยน่าจะหลอนะครับน่าจะหล่อครับเน่ยคิดว่าตมาหล่อไหมพระหล่อได้ไหม ไม่ได้ผมก็ไม่มีคิว้วไม่มีจะหล่อได้ยังไงถ้าหลอก็หล่อด้วยศีลเท่ปรรัญญาสง่าด้วยสมาธิเออพูดถึงว่าสมมติเรามองไม่เห็นอาตมาอยากรู้ว่าตมาหน้าตายัางไงต้องทอํายังไงขงคลองอาตมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังโรงเรียนสอนคนตาบอดของเราเนี่ยหน้าโรงพยาบาลพระมองกุศเด็กคนนึงอยากรู้หน้าตาตมาก็มาทาอาตมาในี่ยเราคุณยอมเป็นเด็กคนนั้นแต่เราทาอาตมาสิเราำทำสิเออเอาสมมติทาหน้าอาตมา จะมาเ้าเอาทำหน้าจะมาเราขอข า, ากรทำหน้าโอ้โหมือเหม็นมากเลยเข้าห้องน้ำมาก็ไม่ล้างไหมเราทำหน้าต่อมาสิอ่าอ่ามาเป็นหน้าตายังไงหน้าเรียมหน้าเรียมโอ้โหทำแม่นจริงจริงารูปร่างรูปร่าง เ, เยงลยทำรูปร่างเอารูปร่างอ้วนหรือผอมรูปร่างรูปร่างรูปร่างสันทับรูปล่างสันทับ สูงประมาณร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบห้าน้ำหนักประมาณหกสิบหกสิบห้าหกสิบห้าใกล้เคียงนะคุณโยมนะใกล้เคียงมากเลยปกติเราช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างไหมเวลาที่เราอยู่ที่บ้านเข้าน้ําเองไหมไม่ได้ครัแป้งที่บ้นเองไหมแป้งเองเอ่ออาบน้ำเองไหมน้ำเองทานข้าวเองทําเองครับโอ้โหทํางานเองทํางานเองครับสุดยอดเลยคุณโยมล้าทําเองครับหลังทุกชามเองด้วยไม่มีใครล้างให้ อยากมีคนล้างให้ไหมไม่อยาก เ, ออเพราะว่าเราดูแลตัวเองได้ใช่แล้วครับฝากบอกคนที่ดูอยู่คนที่มีมือมีเท้ามีหูมีตาดีแต่ไม่ทํางานคยมอยากจะฝากบอกว่ายัางไงบอกให้ช่วยเหลือตัวเองขอให้ช่วยเหลือตัวเองรู้จักทําการทํางานรู้จักสู้ชีวิตใช่ไหมใช่ครับอยากจะบอกคนที่เขาตาดงตาดีมีอาชีพเป็นเศรษฐีด้วยแต่ไปฆ่าตัวตายฆ่าเมียฆ่าลูกตายคุณยมอยากจะบอกเขาว่ายังไงบอกว่าอย่ า, ยาคิด ง, ง, งูนี่บอกบอกเขาหรืบอกอาตมาเลยครับ คืออยากคิดโงงงไปถึงบอกใครบอกบอกทุกคนที่ที่คิดจะทำร้านตุเรงอ๋อคนมีตาให้มองเห็นคนโชคดีวกว่าเราใช่ไหม ถ, ถ้าเกิดคุณไม่สู้ชีวิตคุณน่าจะอายเราเนะาะฉะนั้นเราต้องสู้ชีวิตต้องอย่าท้อแท้คุณยมเคยน้อยใจไหมว่าเราเอ๊ะทําไมไม่เท่าคนอื่นคุณยมเคยน้อยใจไหมคุณยมเมตตาไม่เคยครับทำไมทำไมถึงคิดอย่างนั้นทำไมเราคิดสู้ได้อย่างนั้นคุณยมมันมันเคยสิ้นเลยมันไม่รู้จะคิดไปทําไมอืมคิดไปแล้วก็ไม่สบายใจคิดไปก็ไม่ได้คื น, คคนสู้ชีวิตดีกว่า สนุกสนานอะไรนะคิดไปก็ไรกระโดดคิดไปก็ไรเบยเห็นไหมถูกต้องเลยสำหรับคนที่ดูรายการเราอยู่เนาะต้องมีกําลังใจต้องสู้ชีวิตที่สำคัญ อ, อย่าไปฆ่าตัวตายใช่ไหมคุณโยมอย่าไปฆ่าคนอื่นตายด้วยบางคนจะฆ่าตัวตายนะคิดแทนเมียแทน ล, แลูกว้ยเราตายลูกเมียอยู่ไงไปยิงเมียตายยิงลูกตายพอยิงตัวเองกระสุนหมด <c oughs> แกล้งใสอีกดูคนอยากตายไม่ตายไอ้คนไม่อยากตายตายเห็นไหม เอาละผมก็ได้คุณโยมเมตตาด้วยเขาเป็นโยมเมตตา ม, มากอเชิญกลับได้เชิญกลับได้สวยงามสวย ง, งามฉะนั้นขอให้คนเรานั้นมีกําลังใจนะแล้วก็รู้จักสู้ชีวิตคุณโยมเอาละวันนี้เรามาเจอกันปลุกกติไปที่ไหนก็ไม่ค่อยให้ถามเลยนะมีอะไรอยากจะถามมาตมาไม่เอ่ยใครก็ได้อยกมือขึ้นใครจะถามอะไรก็ได้เอ้ยกมือขึ้นมาคุณโยมถามเลยการรักาพิธีครับเจิีพรทุกวันก่อนได้พิธสการเตรียมถามท่านเลยข่าวว่าท่านได้ อุสมบทตั้งแต่เมื่อไรรอ้นเป็นสมเณรงรืเป็นพระภิกษุได้จ้ะครับไม่อาจรุงมก้าวศักเพราะว่ารู้แต่เรื่องงานโดยตรงก็เลยเป็นศักดิ์เท่านั้และโอกาสปฏิสัพพานกคญมากครับได้จ้ะอาตมาบรรพชาสามเณรเมื่อไรบวชพระเมื่อไรใช่ไหมครับอาตมาจบปฐมหกปีสามสี่บรรพชาสามเณรวันที่หกเมษาครบสิบหกปีพอดีที่อาตมาบรรพชาที่บวชมานะบวชเณรหกเมษาสามสี่ แต่เป็นเนนอยู่สิบปีคุณโยมแล้วเป็นพระหกปีไม่ได้ตั้งใจบวชเชื่อไหมคุณโยมบอกแม่บอกแม่เดี๋ยวจะไปดูถ้ำอยากดูถ้ำประกายเพชรพอไปถึงมีคนหนึ่งสงสัยปเป็นเทวดาหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยใครอยากจะกวนผมมาทางนี้อาตมาเชื่อโกง่ายง่ายเลยเดินตามเขาไปกวนผมตอนบวชเนี่ยต้องมีพ่อแม่มายกทีวอให้ใช่ไหมอาตมาไม่มีคุณโยมเพราะว่าแม่ไม่รู้ว่าจะบวชเลยยืมแม่คนทข้างๆยกทีวรนให้ยืมแม่ห<อ>น่อยยืมแม่หน่อย ยกจีตวิาใหตอนบ่ายที่สาวขึ้นมาดูน้องแหหน้าเรียบร้อยบวชหกสิบเก้ารูปเหลืออาตมามารูปเดียวรุ่นนั้นสิบหกปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเนรรุ่นพี่บอกเดี๋ยวจะบวชนานๆเป็นเจ้าอาวาสเรียนชงสงอาตมาไม่ได้ตั้งใจเลยเลยนะบวชมาเขาให้สวดมนต์ก็สวดเขาให้เรียนก็เรียนก็ตั้งอกตั้งใจทําตามที่อาจารย์ก็สอนก็อยู่มาสิบหกปีนี่คุโยมบวชพระวันที่หนึ่งเมษาสี่สี่ นะหนึเอาไม่เกี่ยว1นึ่เมษาซีซีนะก็บวชมาก็ครบ6ปีเหมือนกันเป็นพระก็เลยบวชมา16ปีคุณโยมรวมแล้วทั้งเป็นเนือน10ปีแล้วเป็นพระ6ปีเจริญพอรอ่ะมีใครถามอะไรอีก ไ, ไม่เลยเจริญพรคุณโยมอยากทราบว่าตองที่อาตมาหรืตเลยโดนผิคุณโยมถามตัวเองหรือถามอาตมาฮะ อ๋อตอนที่อาตมาหมายถึงหมายถึงคุณโยมใช่ไหมอ๋ออาตมาหมายถึงอาตมาเออคุณโยมอาตมาไม่ขออาตมาเลยถ้าคุณโยมพูดอาตมาอาตมาจะพูดอะไรเนี่ยอาตมาเคยถูกผีหลอกไหมเหรอเขาบอกว่าอย่างงี้คือส่วนตัวอาตมาไม่เคยเจอผีหลอกนะคุณโยมมีแต่อาตมาหลอกผีผีหลอกบางคนเนี่ยแม่อาตมาเจอจังเลยคุณโยมแกเป็นนอนไปทับที่คนตายแล้วบอกไม่รู้จู่ๆผีมานั่งทับแกแล้วบอกสองสอง บอกนี้เลยนะสองสองแม่อาตมาตกใจตื่นตื่นเช้ามาไปซื้อหวยเลยสองแพงไปสองพันกว่าหวยออกมาเจ็ดแปดผีหลอกคุณโยมห่ามันบอกสองสองจริงจริงมันออกเจ็ดแปดอาตมาส่วนตัวไม่เคยถูกผีหลอกคุณโยมใครถูกผีหลอกบ้างยกมือขึ้นผีหลอกเนี่ยแสดงว่าเขามาขอส่วนบุญคุณโยมเราจะกลัวผีทำไมผีมีกล้ามเลื้อไห ไม่มีเรามีกล้ามเนื้อผีกินอมตะินได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ผีมันไม่แข็งแรงเหมือนเราเราก็ยมจริงๆทุกครั้งที่ผีมาหาเรานะความเชื่อทางพุทธศาสนาเขาถือว่ามาขอส่วนบุญมาขอความช่วยเหลือพระเจ้าพิมพิสารฝันร้ายฝันครึ่งๆเตือนๆนะเตือนๆระลับๆไปทูลถามพระเจ้า ว, ว่าเหมือนมีเปรตมีอะไรมาขอส่วนบุญพระเจ้าบอกว่าอ๋อญ่าดพระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นทําอาหารถวายพระหิวยังไงไม่รู้ไปฉันอาหารก่อนพระไปกินก่อนพระด้วยเศษกรรมนั้นก็เลยกลายมาเป็นเปรต ก็มาร้องโหยง ห, หวนขอส่วนบุญพระเจ้าพิษสันก็ทําส่วนบุญให้ทียังมาโหยง ห, หวนอีกเกรดมาขอส่วนบุญอีกไปทูลถามพระเจ้าบอกอ๋อลืมตรวจน้ําไม่เขาโอ้พระเจ้าพิษสันก็เลยทําบุญแล้วก็ตรวจน้ําให้ก็ได้เป็นประเพณีตรวจน้ํามาจนถึงทุกวันนี้ตรวจน้ําอย่าเอานิ้วลองนะคุณโยมเดี๋ยวคนรับส่วนบุญจะเข้มบางคนเอานิ้วลองใหญ่เลยเวลาไปเทน้ําก็ให้เทกลางดินกลางแจง้งไม่ต้องไปเทต้นไม้จริงๆแล้วนะแต่คนไทยแหมเสียของก็เอาไปเทต้นไม้ดีกว่าต้นไม้จะได้แบบ โตด้วยลู ก, กเกษตรบาดาก็จะได้มีความสุขด้วยพระเคยถูกผีหลอกคอุณโยมไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเราเชื่อว่าต้นไม้มีลู ก, กเกษตรบาดา ม, มั้ยมีพระเออลู ก, กเกษตรบาดาก็มีครอบครัวเหมือนพวกเราเลยนะมีลูกมีอะไรเหมือนกันเลยนะพระเออนอพระไปนั่งใต้ต้นไม้ไม่มีที่อยู่สิไปอยู่สูงกว่าพระได้ไงต้องออกจากต้นไม้ไปอยู่ที่อื่นพระปฏิบัติธรรมเป็นเดือนเดือนเดือดร้อนอมไม่มีที่อยู่ก็เลยแปลงกายเป็นผีมาหลอกพระโอ้โหน่ากลัวเลยพระยังไม่ได้บรรลุธรรมนี่กลัวผีสลเข้าไปเฝ้าพระเจ้า พระเจ้าข้าผีหลอกข้าพระเจ้าพระเจ้าบอกจริงๆอะเป็นเทวดาแปลงกายเป็นผู้ผีปีศาจมาหลอกพวกเธอเพราะพวกเธอไปอยู่ที่เขาแล้วเขา ม, มีที่อยู่แต่ทํางไงดีพระเจ้าคะพระองค์ให้ท่องการณียะเมตสูตรคุณโยมเวลาขี่พระมาสวดมนต์เจริญกุตมนต์อ่ะอย่า ง, างเงี้ยเข้าใจไหมการณียะมาตะกุสเลนยันตังสันตังปะทางอภิสมัยจสะสโคอุโชไปเรื่อยๆเป็นคาถาไล่ผีแปลความหมายว่าเหมือนการขอขอนุ ญ, ญาตก็เรามาอยู่มาตรงใช้ตรงนี้เรามาอยู่บ้านนี้เรามาอยู่ตรงนี้ อย่ามารบกวนกันนะเรามาดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความหมายฉะนั้นผีอย่างนั้นไม่ต้องกลัวคุณโยมทุกคนกนมัมือขึ้นผีหกตัวนี้น่ากลัวผีปอบผีเปรตเคยเห็นไหมเคยได้ยินเสียงไหมว่าตามอาตมาผีตัวที่หนึ่งชอบดื่มซุนาเป็นอาจินแห <ś, S 1> มาบางคนหัวเราะใหญ่เลยไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหา ร, า ร, หารผีตัวที่สองชอบเที่ยวยามมิกลาร มมไม่รักบ้านรักลูกลักเมียต น, น, ยตนอันนี้เขาเรียกว่าผีแตในผีพวกนี้นะผีตัวที่สามชอบเที่ยวดูการและเล่ น, มมนไม่ละเว้นบาครับละครโข น, น unified, ผีตัวที่สี่รบคนชั่วมั่วกับโจรห น, นีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีตัวที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตร าสารพัดถั่วโปโ้ให้โลสิ้นผีตัวที่หกเกียร์ครานการทํากินมีทั้งสิ้นหกผีไม่ดีเอ่ยสุลุกง่ายๆนะหนึ่งผีสุลาผีเที่ยวกลางคืนผีเที่ยวดูการและเล่นผีคบคนชั่วผีการพานันไหนใครชอบเล่นการพานันยกมือขึ้นว่าไม่มีเลยที่นี่ผีขี้เกียร์แตนี้สําคัญเลย ไหนใครมีผีเกียดบ้างยกมือขึ้นเออไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีนะนะต้องขยันทำการทำงานชีวิตจะได้มีความสุขชีวิตคืองานงานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขหลวงพ่อปัญญาบรรพะท่านบอกเอาไว้ท่านเทศเอาไว้ทำงานมีความสุขไหมพุณโยมถ้าคนเราไม่ทำงานเลื่อนลอยไปเรื่อยจะมีความสุขไหมไม่มีหรอกชีวิตคนเรามันจะมีความสุขก็คือทำงานทำงานได้มีความสุขหลวงพ่อปัญญาตอนนี้จะเก้าสิบแล้วเก้าสิบหกท่านบอกท่านจะอยู่ถึง ร้อยปีพอทําอะไรความดีให้โลกนี้จดจําทุกวันนี้ท่านยังทํางานไวของพ่อปัญ ญ, ญานี่นะฮะยังทําอยู่พล96ยังทํางานอยู่ใครไม่ทําดูอยู่ตอนนี้อายมากๆเลยต้องรีบทํางานให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติพี่โยมเอาละเอาอีกสักหนึ่งคาถามก็แล้วกันกได้เลยพี่โยมสมมติมว่าเราใส่บาตร<ช>หรือโยมผู้หญิงก่อนแล้วกันเนาะได้จ้ะถ้าเราใส่บาตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ไม่สมมติเราคเรือ่องจริงนหคะเราลืมตรวจน้ําเนีไยแล้วเราจะทํำไง ถ้าลืมตรวดน้ำด้วยคุณโยมถ้าลืมตรวจน้ําจะมีพระอาจารย์ของอาตมาท่านจะย้าโยมมากบางคนโยมไม่ได้เตรียมน้ํามากรวจใช่ไหมรเราไปทําบุญเราจะขอน้ําไปกรวจได้ไหมถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของวัดเอามาให้เราก็ไม่เอาไปท่านจะบอกอย่างนี้ถ้าไม่มีน้ําตรวจก็ให้ตรวดด้วยน้ำใจใจเราแผ่เมตตา ม, มันก็เหมือนการตรวดน้ำแล้วคุณโยมพิธีการมันมาทีหลังคุณโยมมีแก้วนะมีที่รองน้ํานะมีที่ตรงนี้นะนี่ยมันมาทีหลังใจของเราสำคัญที่สุดใช่ไหมคุณโยม ถ้าใจเราแผ่เมตตาให้แล้วใจเราเป็นบุญแล้วเนี่ยได้บุญคุณโยมสบายใจได้นะหลายครั้งเวลาทําบุญไม่ได้ตรวจน้ําใช่ไหมก็<อ>ตรวจบุญไม่ถึงใช่ไหมไถึงถ้าไม่ถึงเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอก<ไ>อา<ไ>มีคําถามอะได้อีกไหมเอ่ยใครถามอะไรไม่อีกไหนใครชีวิตมีความทุกข์มากๆบ้างตอนนี้ยกมือขึ้นมีความทุกข์มากๆโอ้โหมีอยู่หนึ่งท่านอยากจะหายจากความทุกข์ไหมคุณโยมก็มีความสุขซะง่ายๆเลยยังไงล่ะ พระอาจารย์ทำไมพูดง่ายจังคุณโยมเวลามีความทุกข์เหมือนคุณโยมยกเก้าอี้คุณโยมคุณโยมยกเก้าอี้หนึ่งตัวให้ลอยจากพื้นยกสองมือสบายไหมสบายอันนี้เป็นปัญหาเรื่องหนี้ศินแล้วกันอาอมีปัญหาเรื่องครอบครัวโอ้โหลูกหลงลูกหลานสอนอยากเหลือเกินคุณโยมยกเก้าอี้ตัวที่สองคุณโยมทำยังไงไม่ให้สอนกันไม่ให้วางทำยังไงยกอีกมือนหนึ่งเลยสบายสบายคุณโยมจะยกตัวที่สามห้ามวางห้า ม, ามสอนนะทำยังไงคุณโยมวางตัวแรกลงก่องวางเก้าอี้ตัวแรกลงแล้วค่อยไปยกตัวที่สอง หมายความว่าคุณโยมมีปัญหาไปไข่แก้ไปทีละอย่างทําไมเราชักหน้าไม่ถึงหลังโอ้โหเราดื่มเหล้าเยอะเหลือเกินเราเล่นการพนันเยอะเหลือเกินมีเงินสิบล้านไปเล่นการพนันที่ปลอยเปรตอย่างเงี้ยสงกรานต์งการคนไปเยอะเลยจะเหลือไหมคุณโยมไม่เหลือความรวยอยู่ที่ไหนคุณโยมอยู่ที่ความพอคนมีแสนนั้นถ้าไม่พอเขาถือว่าเขารวยไหมโอ้โหมีขอทานคนหนึ่งไปขอเศรษฐีขอขออนุญาตขอเศรษฐีสิบบาท เศรษฐีบอกโอ้ผมเนี่ยต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านขอทานถามตอนนี้มีเท่าไหร่สิบล้านขอทานเอาคืนให้เลยเา้าเอาคืนทําไมอสงสารเศรษฐีตอนนี้มีสิบล้านอยากรวยร้อยล้านหรืออีกตั้งเก้าสิบล้านสงสารเหลือเกิ น, <c oughs> นเนื่อผมในแค่สิบบาทผมอยู่ได้แล้วมันอยู่ที่ความพอของเราคุณโยมแก่นในพุทธศาสนาคุณโยมสามคำก็พอแล้วไม่ต้องฟังอัตมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงคือปล่อยวางหลุดพ้นนิพพานนี่เป็นแก่นพุทธศาสนาเลยถ้าเราปล่อยวางได้ ไปว่างที่จะไปโกรธกันไปดา่ากันไปว่ากันไปฆ่ากันไปทำร้ายกันเราจะมีชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับนั่นคือคำถามส่วนหนึ่งนะครับจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับที่พระมหาสมคองได้ไปบรรยายมานะครับท่าอาจารย์ครับผมมีคำถามครับคุณยายคนหนึ่งฝากถามมาว่าขณะที่กําลังใส่บาตตอนเช้าอยู่นะครับกําลังรอพระให้สิ่ให้พรหลับตาอย่างตั้ง อ, อกตั้งใจเลยสับพีดีโออยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าพอกาลัง นึกถึงจะส่งผลบุญที่ใส่บาปมา น, นั้นให้กับคนที่เราต้องการเนี่ยปรากฏพอหลีตามาดูพระท่านไปแล้วคุณยายถามบอกว่าถ้าเกิดท่านไปแล้วเนี่ยไม่ทราบบุญกุศลที่กำลังจะส่งมจะถึงคนที่เราอยากจะให้ไปถึงหรือเปลาก็หลังอธิษฐานอยู่เลยลุยตามันที่ไ ป, ไปแล้ ว, ลวบุญจะถึงหรือเปล่านั่นสิครับจริงๆบุญสําเร็จตั้งแต่เราเต็มใจถวายขณะให้เราก็ในหลังให้เราก็เต็มใจ บุญสำเร็จตั้งแต่ตอนนั้นแล้วบุญนี่ยสำเร็จเลยไม่ต้องคิดมากนะคุณโยมจากอธิษฐานต่ออีกเป็นชั่วโมงก็ไม่ว่าอะไรบุญไม่ใช่รถแหมไม่ใช่คนที่จะไปขึ้นรถเมล์รถตกรถเมล์ตกเรือตกเครื่องบินนี้บุญเขามีลักษณะพิเศษถ้าเราเต็มใจให้แล้วนะครับขณะให้เต็มใจหลังให้เต็มใจแล้วยังไงบุญก็ถึงแน่นอนไม่ต้องกังวลอธิษฐานได้เลยครับผมต่ออีกเนื่องอีกก็ไม่ว่ากันครับอันนี้เป็นคําถามผมเองเพราะว่าผมใส่บาตร เจริญพรเห็นเอย่างเงี้ยนะคะแต่ใส่บาทนะครับคุณยงเคยใส่บาทด้วยใส่ครับถอดรองเท้าใส่บาทไหมใส่ใชครับก็ถอดดิครับถอใส่ทุกครั้งเลยไม่ไม่ใช่ถอดแล้วใส่บาทนะคะคือถอดล้างเท้าแล้วเอาของใส่บาทใส่ไปข้างน้ารับเจริญพรคือตอนที่บางทีเนี่ยคือบางีเราใส่ปากวัดกันอ๋อพระบางวัดท่านก็ให้ศีลให้พรเจริญพรอันนี้บางวัดเนี่ยก็อาจจะเป็นธรรมเนียมวันนั้นหรือเปล่าไม่ทราบยังไงพอใส่เสร็จปั๊บเราก็พนมมือเตรียมรับปรากฏท่านเดินไปไกลแล้วครับคือเราก็รอเอ๊สปปีดีโยไม่มาเอาไป ซือของตับใบฟ้าแล้วเน อ, อย่างงี้นี่เป็นยังไงไหมครับระหว่างให้พรกับไม่ให้พรยุคแรกจริงๆเขาไม่ให้พรนะคุณโยสมัย<อ>มก่อ น, นพระภิกษุปแปลว่าผู้ขอรเราก็เป็นพระภิกษุมาแล้วก็ขอข้าวขอขอะไรโ ย, ยมถาวายมาตอนไหนก็ฉันได้เลยไม่ให้พรในซ้ําหลังๆเนี่ ย, ยพระ เทรถึงไปขอพระเจ้าว่าให้พรส่วนไหนวัดที่อื่นศาสนาอื่นเขาก็ให้ยมจะได้เชื่อใจครับล่างๆนี่เองที่เราให้พรท่าต่างจังหวัดนี่เขาให้พรเลยนะแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยแหมรถราเยอะแหมแล้วคิวรอเยอะซะด้วยสิ<อ>แหมยมรีบพระก็รีบเหมือนกันไม่ต้องห่วงท่านจะไปให้พรที่วัดอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่ได้พอ ร, รอยู่ที่ไหนก็รับพรได้เ<อ>ช่นเดียวกันไม่ต้องกังวลครับผมมีสบายใจไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับใครที่พระบางรูปอาจจะไม่ได้ให้พรก็สบายใจได้เพราะบุญเกิดตั้งแต่เริ่มตั้งใจทําแล้วให้ที่วัดตัวมีโอ้รอครับผมคุณผู้ชมครับท่านที่ชื่นชอบการบรรยายธรรมะของพระญาสมกอกนะครับอยากจะเอาวิดีดีจากเทปไปดูช่วยฝากคนให้เรารักเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่รา้านซีเอ็ดุ๊ b ด s หรือเ m a ม i n e ทุกสาขาหรือสั่งตรงมาตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับรายได้ของเราทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุเพื่อช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส น, นะครับซึ่งน่าสงสารมากทีเดียวนะครับวันนี้นี่ต้องกราบนวะัฒการขอบพระคุณพระอาจารย์สมพรนะครับที่โกรโนาให้เกียรติมาบรรยายให้พวกเราฟังถึงบ้านเลยเสิร์ฟตรงถึงบ้านเลยท่านอาจจะไม่ต้องไปวัด แต่ว่ามีธรรมะมาถึงใจท่านได้อย่างไม่น่าเชื่อครับธรรมส ก, กา ร, กราบขอบพระคุณครับที่เดินทางพบกับรายการธรรมะจิตริบรีได้ใหม่นะครับในครั้งหน้าซึ่งตรงกับวันพืชมงคลวันที่10พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับอย่าลืมครับเสิร์ฟธรร ม, มะถึงบ้านท่านเป็นธรร ม, มะสไตล์ใหม่ซึ่งจะทําให้ท่านได้รับธรร ม, มะได้อย่างชีิตไม่รู้ตัวไปปรับไปใช้กับชีวิตท่านได้อย่างเต็มและสบายใจครับวันนี้กราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ควสุขแล้วก็นสนุกดีแล้วก็เพลิดเพลินกับการคับการสอนของของท่านนะครับคือพระสนมากบางพระเนี่ยก็จะสอนไปในเรื่องคารสร้างวัตถุมงคลการสร้างทาลากา ร, รเรียนอะไรนี้อันนี้ท่านท่านเทศในเรื่องคารการสร้างคนที่เป็นชนใหญ่ซึ่งซึ่งน่าจะเป็นแนวแนวทางที่ดีกว่าชอบเรื่องห้าอ่อนเพราะว่ามันเหมือนสอนใจคะ่ะเพราะว่าสังคมเรามสมัยนี้ก็ ไม่ค่อยได้มีความอ่อนน้อมอ่อนหวาหรือว่าการไหว้กันอะไรก็เกือบจะลืมลืมไปบ้างนะคะก็เลยชอบอันนี้น่าจะไปสอนลูกหลานได้ะคะ่ะรู้สึกดีค่ะก็สนุกก็ไม่ไม่น่าเบื่อธรรมเมื่อก่อนฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจเดี๋อนนี้รู้สึกฟังวันนี้รู้สึกอ่าเข้าใจมีแทรกอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจะไปหาฟังอีกค่ะเพราะว่าเป็นธรรมะที่เข้าถึง ออทุกวัยแล้วก็ยังคิดว่าอยากจะให้ลูกๆได้มีโอกาสฟังธรรมะที่ฟังดูง่ายปฏิบัติง่ายอย่างนี้ค่ะ